ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมแผ่นที่ห0สบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังเอ3สาแผ่นที่ห0สให้คติธรรมหัวข้อว่าความอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่งคำว่าอดทน อดทนในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อไม่ว่าการนอกการในไม่ว่าธุระการงานเราต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานอย่างเราจะทำงานสิ่งไหนก็ตามเราต้องอดทนต่อร้อนต่อหนาวต่อหิวกระหายแต่เมื่อเราเข้ามาทำงานในชุมชนเราก็ต้องอดทนต่อความ เนนทากาเลแล้วความติฉินเนนทาในหมู่ในคณะตลอดถึงการดูถูกเห ย, ยียดหยามในหมู่ในคณะคําว่าอดทนคํานี้ใช้ได้ตลอดการอย่างพวกเรานั่งสมาธิอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นฐานคําว่าขัดติคือความอดทนคํานี้ใช้ในที่ทุกสถาน เพราะนั้นคนที่มีขันติคือความอดทนไปน่าจฐานที่ใดอยู่น่าจฐานที่ใดมองดูแล้วก็สบายใจกับผู้บังคับบัญชาหรือลูกน้องหรือบริวารทุกหมู่เหล่าที่มาเกี่ยวข้องผู้ที่มีความอดทนก็สบายใจถ้าาว่าผู้ที่ตรงกันข้ามไม่มีความอดทนเลยผู้ที่อยู่ใกล้ก็ทําให้อดัดไม่สบายใจกับ ผู้ที่อยู่ใกล้เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่นักสถานที่ใดขันติคือความอดทนคำนี้นะ่ะให้อยู่ในจิตใจของพวกเราตลอดไปนักสถานที่ใดอยู่นักสถานที่ใดจะเป็นที่ยอมรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดถ้าอยู่เป็นลูกน้องก็เป็นที่ยอมรับของเจ้านายถ้าหาว่าเป็นเจ้านายเขาก็เป็นที่ยอมรับ ของลูกน้องตลอดถึงหัวหน้าครอบครัวหรือว่าอยู่ในครอบครัวถ้าผู้ใดไม่มีความอดทนอยู่ในครอบครัวครอบครัวนั่นก็รู้สึกว่าละสัมละสายแต่ถ้าว่าครอบครัวใดมีความอดทนอดกั้นให้รู้จักการวางตัวให้มีความอดทนความอดทนคำนี้จะเกิดประโยชน์ ต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านไปอยู่นสถานที่ใดขันติคือความอดทนคนํานี้จะใช้ได้ไม่ว่าการนอกการในไม่ว่าอยู่นสถานที่ใดถ้าเรามีความอดทนบางครั้งก็มีความอดทนไปสักนิดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อยราบรื่นไปได้แต่ถ้าเราขาดความอดทน ในชุมชนสังคมหรือในเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นโอกาสที่จะแตกกระจุยกระจายกันได้ง่ายในหมู่คณะเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังเอ็มพีาแผนนี้แล้วให้พยายามตรวจตราดูตนเองว่าความอดทนของเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าความอดทนของเรามีน้อยเราก็ควรจะพยายาม ตั้งความอดทนให้มากขึ้นไปกว่าแล้วก็พวกเราจะประสบแต่ความสุขความสบายใจด้วยอํานาจคุณพระศีรัตน์ไรยพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆกท่านเทิน